เมื่อเราเกิดมาก็มีแต่กายกับใจนั่นแหละไม่มีอะไรอย่างอื่นมาด้วยเสื้อผ้าก็ไม่ได้ติดตัวมาเมื่อแรกเกิดหลนทั้งทรัพย์สินเงินทองต่างก็ตามมาทีหลังสถานภาพ ตำแหน่งนี่ก็เป็นเรื่องที่หลังทั้งนั้นเมื่อเกิดมาก็มีกายกับใจกายกับใจนี่ว่าเป็นร่างก็ไม่ใช่ของเราเรื่อไม่ใช่ของเราก็เพราะว่าควบคุมบาคับบัญชาอะไรไม่ได้รล้สึกอย่าง จะให้เป็นไปตามใจมันก็ไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะดูแลรักษาได้ทั <Okay. S 1> ้ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่แม่ไม่ใช่ของเราแต่ว่าควรที่จะดูแลควรที่จะรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์เหมือนกับข้าวของเครื่องใช้รถยนต์มันไม่ใช่ของเราจริงๆแต่ว่าเราก็ดูแลรักษาได้เพื่อใช้ให้มันเป็นประโยชน์ถึงเวลามันก็เสียถึงเวลามันก็เสื่อม จะยับจังก็ไม่ได้ก็เพียงแต่ชะล อ, อไว้เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราพูดว่ามันไม่ใช่ของเรามันมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวกายกับใจอันนี้ก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกัน แต่ว่าถ้าจะให้อยู่ได้นานๆนนก็ต้องรักษาถ้าต้องการใช้ประโยชน์ให้จากเขานี่ก็ต้องดูแลต้องดูแลต้องรักษาน่การรักษากายแล้วมันทำอย่างไรนะรักษากายก็ สิ่งที่ต้องทำพื้นฐานคือว่าทำให้ปลอดภัยทำให้กายนี้ปลอดภัยเช่นไม่มีเชื้อโรคไม่เหมือันตรายใดมาคุกคามแล้วก็ทำให้มีสุขภาวะเช่นมีอาหารนมีการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นเรื่องของ สุขภาพแต่เท่านี้ยังเรียยวไม่พอนะให้การดูแลกายเนี่ยนอกจากดูแลไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นกับกายแล้วก็ต้องดูแลกายนี้ไม่ให้ไปสร้างปัญหากับคนอื่นด้วยอันนี้เป็นเรื่องของศีลดูแลกายไม่ใช่กินอาหารครบมูออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอ ทำความสะอาดไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาเล่นงานอันนั้นมันอยู่ในข่ายของสุขอนามัยแต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งของการดูแลกายอีกอันนึ่งคือการดูแลการไม่ให้ไปสร้างปัญหากับคนอื่นซึ่งสุดท้ายมันก็จะกลับมากลายเป็นปัญหากับตัวเรา ดูแลกลายนี้ไม่ให้ไปเบียดเบียนใครไม่ให้ไปลักขโมยไม่ให้ไปฆ่าใคร น, นี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลการรักษาศีลการมีศีลเนี่ยก็จะช่วยรักษากายวาจาไม่ให้ไปสร้างปัญหากับผู้อื่นซึ่งจะกลายมาเป็นปัญหาย้อนกลับมาที่ตัวเรา รักษาศีลรักษากายเท่านี้พอหรื อ, อยังนะมันก็ยังไม่พอนะต้องรักษาใจด้วยการรักษาใจก็คือรักษาไม่ให้ความทุกข์มันมาเล่นงานใจไม่ให้อาระมณ์อกุศลต่างๆเข้ามาเคราะงานใจ้วขณะเดียวกันก็รักษาใจไม่ให้ไป สร้างปัญหากับตัวเองด้วยอย่างที่พระเจตรัสว่าเนี่ยศัตรูทําร้ายกันมันก็ไม่ก่อความผิดหายก่อความเสียหายมาทั้งกับจิตที่วางไว้ผิดจิตที่วางไว้ผิดเนี่ยหรือจิตที่ไม่มีการรักษาไม่มีการดูแลเนี่ยมันไม่เพียงแต่ไปก่อความเดือดร้อนกับผู้อื่นเท่านั้นนะมันยังก่อความเดือดร้อนกับตัวเองด้วย ถ้าไม่รักษาจิตให้ดีมันก็เกิดอาการคุ้มครั่งจนเป็นบ้าหรือว่าเกิดความกลุ่มอกกลุ้มใจมากจนกระทั่งทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายหรื อ, อยังเบาๆก็เกิดอาการซึมเศร้าไอ้พวกนี้นี่มันเรียกว่าเป็นการ ทำร้ายตัวเองนะด้วยใจของต น, น, นการรักษาใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญพอๆกับหรืออาจจะยิ่งกว่าการรักษากายนะสิ่งที่ช่วยรักษาใจไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานแล้วก็ไม่ให้ใจนี้ไปก่อความทุกข์กับผู้อื่นหรือกับตัวเองนะก็คือสติ สตินี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับยามที่เฝ้าประตูเมืองคอยป้องกันไม่ให้ผู้ร้ายหรือว่าสายลับหรือว่าโจรหรือว่าอริราชศัตรูเข้ามาลอบเข้ามาในเมืองลอบเข้ามาแล้วมันจะก่อความปานเปื้อนวุ่นวายเมืองนั่นก็คือจิตตนคร น, นั่นเองจิตตนาคอน ก็คือใจซึ่งเปลี่ยบเหมือนกับ น, น, นักขอนในเดี๋ยวนี้เนี่ยสติก็อาจจะเปลี่ยนได้กับสัญญาณการขโมยก็ได้หรือสัญญาณการไฟขโมยเข้ามาในบ้านหรือว่ามีควันไฟเข้ามาสัญญาณมันก็จับได้มันเร็วมันก็บอกเรามันบอกเรา สติมันทั้น้าที่นี่คือมาบอกมาเตือนว่าตอนนี้จิตไม่เป็นปกติแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นกับจิตใจแล้วนะก็คืออารมณ์มันเข้ามาเล่นงานจิตใจรวมทั้งความคิดด้วยนะความคิดที่ฟุง้งซ่านใจลอยหรือว่าอารมณ์ความหงุดหงิดความขุ่นมัว ความเครียดความโกรธค ว, รความเศร้าความเปลียดความพยาบาทไอ้พวกนี้เกิดขึ้นเมื่อไรใจก็ทุกข์แล้วมันยังบังคับใจให้ไปเกาะปัญหากับพืชอีกเหมือนกับพวกไวรัสเนี่ยไวรัสเข้ามาในร่างกายก็ไปยึดครองเซลล์นอกจากมันจะเป็นอันตรายกับเซลล์แล้วมันยังมางคับเซลล์ให้ผลิตไวรัสแพร่กระจายต่อไป อารมณ์พนี้มันเข้ามาเล่นงานจิตใจไม่พอมันยังมาคับใจให้ไปก่อปัญหาถ้าเป็นความกลัวมันก็บังคับใจให้ไปไปพูดไปด่าหรือว่าไปทำร้ายถ้าเป็นความโลภนะมันก็บังคับใจแล้วก็ไปบังคับกายต่อหนึ่งให้ไปขโมย ให้ไป к о รัคชั่นเป็นต้นน่าสติี่เป็นสิ่งที่ต้องต้องทำให้มีขึ้นที่จิ้มก็มีอยู่แล้วแต่ว่าสติที่มีไม่ไม่มากพอก็ต้องฝึกกันขึ้นมาฝึกเหมือนกับการออกกำลังกายเนี่ยคนเราก็มีเรื่องมีแรงอยู่แล้ว แต่ว่าไอ้เรียวแรงที่เรามีเนี่ยมันมันไม่พอนะมันต้องต้องฝึกด้วยการออกกําลังกายนะซึ่งมันก็จะช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้นด้วยคนเราก็มีความคิดความอ่านกันทั้งนั้นแต่ว่าที่มีมันไม่พอมันต้องไปเสริมไปเพิ่มด้วยการเข้าโรงเรียนด้วยการด้วยผ่านผ่านการศึกษา มันก็ทำให้มีปัญญาฉลาดเฉลียวรอบรู้มากขึ้นให้การเจริญสติเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยรักษาใจให้มีสุขภาพดีเหมือนกับการออกกำลังกายเหมือนกับการใช้ชีวิตให้สุขสุขลักษณะแล้วก็กา ร, การมีศีลอันนี้มันก็เป็นการรักษากาย ให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นการเจริญสติมันก็มีหลักง่ายๆนะก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นจะทําแล้วก็ตามตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นที่ให้ยกมือสร้างจังหวะหรือว่าให้ตามลมหายใจหรือเดินจงกลมเนี่ยมันก็เป็นอ่บาย ว่าขณะที่สร้างจังหวะเนี่ยใจก็มารับรู้ัาการยกมือไม่ต้องไปไหนใจลอยเมื่อไหร่นะก็รู้ตัวเมื่อไหร่ดึงกลับมาถามว่าใจลอยเป็นปัญหาไงมันเป็นปัญหาเพราะว่ามันทำให้คิดฟุ้งซ่านถ้าคิดเรื่องความสุขสนุกสนานก็ยังไม่เท่าไหร่ อะไรฝันเออฝันกังวลแต่ถ้ามันไปคิดถึงเรื่องที่เจ็บปวดในอดีตหรือไปคิดถึงปัญหาที่มาไม่เกิดยังไม่ถึงมันก็เกิดความกังวลขึ้นมาคนเราทุกพรความคิดมากวันนี้ก็กลัวเมื่อกลัวนี่นะไอ้ที่กลัวเมื่องกลัวนี่เขาคิดเอากันแหละถ้าไม่คิดมันก็ไม่กลัวนะเช่นกลัวผีเนี่ยกลัวผีเพราะไปคิดเรื่องผีทําไมมึงคิดน่ะ เพราะตอนนั้นใจลอยไอนน้ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะสติมันก็จะก็จะรู้ทันได้ไวว่าใจลอยแล้วนะแล้วสติก็จะดึงจิต ก, กลับมากลับมาอยู่ไหนกลับมาอยู่กับเนื้กับตัวกลับมาอยู่กับนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเวลาเราใจลอยเราลืมตัวนะเราไม่ไม่ค่อยมีความรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่ มันจมเข้าไปในความคิดหรือถึงข้นเนี่ยเมากับความคิดก็ได้คนเราไม่ไม่ได้เมาเล่าอย่างเดียวมันเมาความคิดด้วยคิดจนมึนคิดจนเมาหลงจมอยู่ในความคิดโดยเพราะคนที่เป็นคนคนบ้านเนี่ยนี่ว่าคิดวกวนอยู่กับความจิดมันวกวนอยู่กับความคิดเนี่ยจนเมาเลยออกมาไม่ได้ บางครั้งก็ทำอะไรที่คนธรรมดาเขาไม่ทำกันเพราะความลืมตัวคนบ้านนี้ก็ลืมตัวแล้วก็ไม่แตกคนเมาเลยยิ่งกว่าคนเมาตัองอ้งแต่เมาความคิดแล้วก็เมาอารมณ์เมาอารมณ์ความคิดกับอารมณ์เป็นของคู่กันนะพอคิดแล้วนี่ถ้าคิดเรื่องลบมันก็เกิดความเกิดอารมณ์ลบตามมาเศร้าโกรธโมโหขับแค้นหรือว่าเกิดความโลภ ถ้าคิดในทางบวกจิตมันก็เกิดอารมณ์ทางบวกยินดีปรีดาประโมทคลื่มบอกคลื่มใจหรือว่าผ่อนคลายนั้นถทาเมาความคิดแล้วมันก็เมาอารมณ์ต่อไปแต่ว่าถ้าเรามีสติดีมันมันไม่ถึงกับเมานะมันแค่แค่จมไปในความคิดแล้วก็รู้ตัวก็กลับมา การจริญเสติมก็มีหลัก ง, ง่ายๆคือว่าให้รู้กายเคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวมันจะรู้เราจะรู้กายเคลื่อนไหวก็ได้ก็ต่อเมื่อใจมันอยู่กับนกับตัวไม่ใจไม่อยู่กันกับตัวมันก็ไม่รู้เนื้กายเคลื่อนไหวไม่รู้ว่มือยกไม่รู้ว่ตัวกําลังเดินไม่รู้ว่ากําก ล, กลังหายใจเข้าหายใจออกรู้กายเคลื่อนไหวอ การรู้กายเคลื่อนไหวก็เป็นการแสดงว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวและขณะเดียวกันถ้าหากว่าใจลอยไอการเคลื่อนไหวของกายหรือความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะคอยเหมือนกับเป็นเสียงเตือนนะหรือเสียงกระตุกให้จิตที่ลอยไป ล, ลอยมาเนี่ยหรือว่าเตลิดเปิดเปิดเนี่ยมันกลับมาไอนะความรู้สึกมันมีประโยชน์อย่างนี้นะ มันคอยเรียกคอยเตือนจิตที่ลอยไปลอยมาตลอดเปิดเปลองให้กลับมากลับมาอยู่กั่เนื้อตัวขาเดียวกันมันก็เป็นเครื่องชี้ว่าตอนนั้นกาลังรู้สึกตัวอยู่พอทาไมรู้สึกตัวใจก็ลอยเมื่อไม่รู้สึกตัวมันเมื่อใจลอยมันก็ไม่รู้ว่ากลังทำอะไรเดินก็ไม่รู้ว่าเดินหายใจก็ไม่รู้ว่าหายใจ ซึ่งการรู้สึกตัวนะเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็หมายความว่ารู้สึกตัวเฉพาะเวลายกมือนะเวลาเราตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนล้างหน้าถูฟันอาบน้ำมันก็เป็นการเจริญสติได้ก็คือให้ใจเนี่ยมารับรู้นะกับการกระทำนั้นๆ อย่างที่บอกตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ในห้องน้าใจก็อยู่ห้องน้ำตัวกาลังทำอะไรเนี่ยใจมันก็รับรู้ใจมา ร, รู้ได้ใจมารับรู้ได้ว่าใจตอนนั้นอยู่กับนึกกับตัวนี่คือเหตุผล น, นะเขาว่าทำไมเนี่ยถึงให้ยกมือทาไมถึงให้เดินทาไมถึงให้การลูหายใจเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องฝึกให้ติดมันอยู่กับนึกกับตัวเพื่อเป็นการบ้านว่าือเป็นเครื่องเช็คว่าใจตอนนี้เป็นยังไง ใจลอยหรือเปล่าแล้วคราวนี้พอเราเข้าใจแล้วเราก็ไปทำกับที่ประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนกวาดบ้านทำครัวออกกำลังกายวิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นการเจริญสติได้ทั้งนั้นและธรรมชาติคนเรามันมีการเคลื่อนไหวไกายตลอดเวลาเกิดตลอดเวลา เราก็ใช้การเคลื่อนไหวนั่นแหละเป็นเครื่องฝึกสติก็คือว่าให้สติไปรับรู้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวอันนี้เรารู้กายนะคือรู้กายเคลื่อนไหวแม้แต่เวลาเรานั่งเฉยๆเนี่ยเราก็มีการหายใจเข้าหายใจออกมีการเกือน้าลายมีการกระพริบตาเนี่ยก็ใช้ความเคลื่อนไหวเหล่านีนเน้เป็นเครื่องฝึกสติได้ คืว่าพอมันเคลื่อนไหวก็ให้ใจรับรู้ว่าเออมันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะแต่ใหม่ๆยังทำยากนะก็ให้รู้การแบบการเคลื่นลยอนไหวแบบยากคือการยกมือการเดินจมกลมส่วนการตามลมหายใจนี่มันยังอะไรมันเป็นลมหายมันเป็นเรื่องละเอียดนะที่นี่ก็ไม่เน้นเท่าไหรนะ่ะเน้นเรื่องอีเลีย บ, บทหยากหยาที่มันให้ความรู้สึกชัดๆ แต่ถ้าใจลอยมันก็ไม่ชัดนะใจลอยมันก็ไม่รับรู้เลยซ้ำว่ามีการเคลื่อนไหวมีการยกมือแต่ถ้าทำํำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีสติไวมันก็จะดึงจิตกลับมารับรู้การเคลื่อนไหว น, นี่เรื่อรู้กายรู้กายเคลื่อนไหวต่อไปมันจะรู้ใจคิดนึกนะใจคิดนึกไป ให้การคิดนั่็คือการเคลื่อนไหวของใจนะการเคลื่อนไหวของกายมาแสดงออกด้วยการเดินการเดินการเดินการนั่งการมองไปข้างหน้าการคู่เหเียดเคลื่อนไหวการกินการดื่มนี่คือการเคลื่อนไหวของกายส่วนการคลื่อไหวของใจก็คือการคิดนั่นเองเมื่อรู้กายจับดาบว่ามันเคลื่อนไหวต่อไปก็รู้ใจที่มนละเอียด ว่ามันเคลื่อนไหวยังไงคือมันคิดไปก็รู้คิดทุกทีก็รู้ทุกทีนะรู้ทันทุกทีอันนี้หมายถึงการคิดแบบไม่ตั้งใจนะหรือการใจลอยจะก่อนนี่คิดไปเจ็ดแปดเรื่องถึงจะถรู้ทันว่าใจลอยต่อไปเราทำบ่อยๆทํไมบ่อยสติมันไวนคิดแค่เรื่องเดียวไม่ทันจบเรื่องมันก็รู้แล้วรู้มันก็วางมันก็ปราบความคิดนะั้น มันออกจากความคิดนั้นอารมณ์เกิดขึ้นมันก็ออกจากความคิดนั้นได้ไวเพรารู้ทันเนี่ยเราเรียกอาการแบบนี้ว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นไม่เข้าไปเป็นที่เห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นกับใจแต่ว่าไม่เข้าไปเป็นอารมณ์นั้นเห็นความกลัวไมไ่เป็นผู้โกรธนะเห็นความเครียดไม่เป็นผู้เครียด พอเห็นนะไม่เข้าไปเป็นนะไออารมณ์นั่นก็จะค่อยๆหายไปเพราะมันไม่มีไม่มีไม่มีการเติมเชื้อเติมฟืนเติมอะไรให้มันมันก็ค่อยดับไปเหมือนกองไฟถ้าเราไม่เติมเชื้อไม่ก็เติมฟนมืนก็ดับไปเองนี่เจริญสตินี้เราเราทําได้ตลอดเวลาร่างกายทําอะไรใจก็รับรู้ แต่ถ้าเกิดว่าใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็มีสติรู้ทันมันเกิดมีเสียงมากระทบหูใจก็เพื่อมก็รู้ทันตาเห็นอาหารนะเกิดความอยากใจมันก็เพื่อมแล้วนะก็รู้ทันได้มีกลิ่นมีกลิ่นเหม็นมากระทบจมูก ติดมันไม่ชอบติดมันผักใสก็รู้ทันส่วนใหญ่เราจะรู้ใจเนี่ยนะก็มาเกิดผัสสะนะคือเพราะมันเกิดผัสสะเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นหรือว่าใจมันมีความคิดเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกผัสสะ เมื่อเกิดผัสสารแล้วมันก็จะเกิดอาการกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงคือยินดียินร้ายเกิดความชอบความชางเกิดความอยากอยากได้อยากมีหรือว่าอยากผลักสาออกไปมีได้ยินเสียงเสียงได้ยินเสียงนกก็อยากจะเข้าไปหาใกล้ๆไปดูใกล้ๆได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็อยากผลัดสายออกไปหรืออยากนีห่างเจอกลิ่นเหม็นก็อยากจะถอยออกไป อันนี้เรียกว่าเกิดกิริยาขึ้นที่ใจกเกิดกาเกิดกรรมขึ้นก็จะเกิดการ ก, กระทาชอบชงังอยากได้อยากผักใสและแม้ว่าอยากได้อยากผักสเนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะว่าจิตตอนนั้นมันดิน้นดิ้นจะเอาก็ทุกข์เพราะยังไม่ได้ผักใส่อยากจะผักไส้เอาไปมันก็ทุกข์เพราะว่า ตอนนั้นมันยังผักใจออกไปไม่ได้นี่ถ้าเกว่าเรารู้ทันใจได้ไวเนี่ยมันก็จะรู้ก็สามารถจะดึงจิตออกมาจากความทุกข์ได้มันเริ่มต้นด้วยการทำให้ใจกลับมาเป็นปกติใจมันยินดียินไายพอมีสติรู้ใจก็กลับมาเป็นปกติมีการชอบอยากได้หรืออยากผลักายพอรู้ทันใจก็กลับเป็นปกติ ความสงบก็กลับคืนมาแต่ความดุต้องรู้ทันกันาการเจอสติเนี่ยเราฝึกให้เมื่อกายเคลื่อนไหวก็รู้เมื่อจะคิดนึกก็รู้ทันถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเวลาเราเรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็รู้เมือ่อรู้กายเมื่อมันทำงานเมื่อมันทำงานอะไรก็รู้ ว่ามันกำลังทําอยู่รู้ใจเมื่อเกิดทัศนะเมื่อเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจงมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหรือว่ามีอะไรมาถูกต้องร่างกายหรือมีความคล้นกับขึ้นใจอันนี้เราเกิดทัะ พอมันเกิดภาษามีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ทันทันทนะีถ้ารู้ช้าไปอารมณ์นั้นก็เขมาครอบงำใจจนกระทองสร้างความทุกขนะ์การเตือนสีหลักๆก็มีแค่นี้แหละนะก็คือรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะหรือว่ารู้กายเมื่อ รู้ความเคลื่อนไหวเมื่อกายทํางานนะเราก็รู้ทันอารมณ์เมื่อเกิดผัสสะนะความหมายเดียวกันนะ ร, รู้ความเคลื่อนไหวเมื่อกายทํางานทํางานอะไรก็ตามล้างหน้าก็ถือว่าทํางานนะหรือว่ากระพริบตาก็ถือว่าทํางานนะไม่ใช่หมายถงทำงานที่เป็นเครื่อง หาเงินหาทองอย่างเดียวลมหายใจหายใจก็หายใจออกก็เรียกว่ากายทำงานให้เราลองจับถ้าเราจับหลักแด้ก็ฝึกได้ในชีวิตประจำวันการเจริญสติก็มีแค่สองอย่างใหญ่คนะือเมื่อกายทำงานก็ก็รู้ทันก็รับรู้ว่ากายทำงานอย่างต่อเนื่องนะ เมื er, moment, os os ement, ่อเกิดผัสสะหรือว่าใจคิดไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็รู้ทันรู้ละวว่างรู้ละวางเมื่อเราอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานอยู่บนรถนะเราก็เจริญสติได้ขาที่นั่งขาที่นั่งรถอยู่แล้วก็คึงนิ้วไปไม่ต้เกี่ยวกับสร้างจังหวะก็ได้คึงนิ้วไปกระดิกนิ้วไปก็ให้รับรู้ว่า มันมีการเคลื่อนไหวมันมีการกระดิกนิ้วบางทีใจก็ลอยออกไปอ้าวลอยไปไม่หนาะกลับมารับรู้แต่ไม่ใช่ไปเพ่งเอานะต้องถึงกับไปเพ่งที่มือไม่ต้องถึงกับไปเพ่งที่นิ้วทำไปสักพักใจมันลอยอาจจะไม่ใช่ไปดูวิวที่ทัดสองข้างทางแต่ว่าจาจาร์มันลอยไปเรื่องอดีตบางเรื่องอน า, าคตบ้าง เราก็รู้รู้เรื่สติก็ดึงกลับมาเวลาทำงา น, นงานไม่เป็นมันมันสะดุดมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการใจก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลก็รู้ทันเวลาประชุมมีคน พูดไม่ถูกใจนะมาตำหนิติดเตียนะเสียงกระทบหูใจกระเพื่มอมรู้ทันว่าเกิดอารมณ์ขึ้นแล้วเกิดความไม่พอใจแล้วนะขับรถนะมีรถอีกคันปาดหน้านะพอตามเห็นรถคันนั้นเนี่ยปาดหน้าใจก็เกิดความโกรธขึ้นมาทันที ก็รู้ทันเนี่ยสติมันช่วยทาให้เรารู้ทันนะไม่ว่ากายทาอะไรหรือใจทําอะไรการที่สติรู้ทันใจเนี่ยมันก็เรียกเป็นการรักษาใจนะเป็นการรักษาใจไว้นะเรารักษาใจด้วยการใช้สตินะและต่อไปสติมันก็จะรักษากายด้วยนะเพราะว่าพอรักษาใจให้ดีเป็นปกติเนี่ยนะ ใจมันก็ไม่ใช้กายไปในทางที่เสียหายหรือว่าไม่พาไม่พากายไปสู่อันตรายอย่างเช่นขับรถด้วยความเมาไมา้อันหนึ่งเรียกว่าเป็นการพาใจไปสู่ความอันตรายหรือเมาไม้แล้วไปไปทะเละไปเตียบคนอื่นนีอันนี้เรียกว่ากําลังพากายไปสู่อันตราย สติมันช่วยรักษาใจแล้วก็รักษากายด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของของของเรานะเราได้กายได้ใจมาก็ต้องทำหน้าที่รักษากายรักษาใจเพือนน่อว่ามันจะได้เกิดประโยชน์ให้สงวัทีิเกิดเป็นมนุษย์นะ ใ้ความเจริญสติอยู่สม่ำเสมอรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ะระลึกได้เมื่อไหร่ก็เจริญสติก็คือทําอะไรใจก็รับรู้กายทําอะไรใจก็รับรู้ใจไม่ปล่อยให้กายทําโดดๆใจก็มาอยู่กับกายอยู่กับเนื้อกับตัวก็รับรู้ ก, กายทําอะไรแล้วมันจะเบาด้วยเพราะว่าตอนนั้นใจมันไม่คิดเรื่อะไรไม่ห่วงกังวลอะไร ถ้าใจอยู่กับกายแล้วนี่มันมันมันสบายแม้กายเหนื่อยแต่ใจก็ไม่ได้เหนื่อยด้วยกายใจมันเพียงแค่ลวกลวกกายทำอะไรแต่มันไม่ใช่ไปแบกเอาความทุกข์ของกายมาเป็นของใจถ้าไม่มีสติเลยนะกายปวดใจก็ปวดด้วยกายเมื่อยใจก็เมื่อยเลยเพราะใจมันไปแบกเอาความทุกข์ของกายมาเป็นของมันแต่ถ้าใจมีใจอยู่กับกายเนี่ยโดยมีสติเนี่ยเป็นตัวประคองเนี่ย มันก็แค่รู้เฉยว่ากายทำาอะไรแต่ไม่ใช่แบบเอาความทุกของกายมาเป็นของมันไปด้วยเพราะ น, นั้นเวลาใจอยู่กันื้อกับตัวมันก็จะเบามันก็เป็นการพั ก, พกใจอย่างหนึ่งแล้วก็ใช้ใจนี่แหละนะไปเฝ้าระวังใช้สตินี่แหละนะเฝ้าระวังใจไม่ให้ถูกอกุศลเร่งงาน ความทุกเล่นงานมันก็เป็นเครื่องนะเป็นตัวที่คอยสร้างความปกติสุขให้กับชีวิตของเรานะนอกจากจากการที่มีปัจจัยสี่มีเงินมีทองนะที่คอยทำให้กายหรือชีวิตเรามีความสกสบายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องคุ้มกัน ชีวิตให้ปล่อยจากความทุกข์ได้ด้ว ย, ท, ยวท่านนี้พูดตอนนี้นะอะกาศนะ